ฉันมาทีไา่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขียนละมันหลายนิ่งขาอัดเรียมสามม้วนนึงค่าถามชันด็ถามว่าอยู่ที่ไหนพูดแค่นี้นี่นนนนนเลยเหรอนชื่อคลองเพชสิงแสงค่ะอยู่จังหวัดโมราชคันอายุ60ปีค่ะ อาชีพเดือนที่เคยคำเป็นสละราการครูค่ะคะอายุหกสิบค่ะปวดแล้วไม่ได้ปวดนะลาออกให้เฉยอ่ะลาออกดังคดสอหายไป้เก่าโน่นอ่ะ สิ่งดึ ง, ดดงลูดของหลวงพ่อคือได้ยินหนังสือในขวัญขวัเรือนปีนั้นพอก็ป่วยมากดูกสาวคนเล็กงานชุ่มช่ำเขาบอกว่าแม่มีพระอรหันต์ได้เกียรตไทยตรงนี้นะว่าสี่รอยิบจ็ดองค์ว่าแบบนี้ที่ที่บ้านจุกบุญสูงญจะมีหนังสือหลวงพ่อลิปสีดิ้งดาท่านขายเริ่มละสามสิบบาทที่อื่นไม่มีขายอย่างนี้ที่อยู่กบพอดี พ่อให้นีโก้หวยขึ้นขึ้นใหม่ๆนั่นแหละรอดตายมาก็เลยยมรู้เอ้ยพระนี่ก้มาเยี่ยมพ่อมาเยี่ยมแล้วก็ขอขอให้อ่าขอให้พาพ่อไปซื้อนั้งสือแกบอกพาไปซื้อนิ้งสือก็เดินไปขึ้นรถนี้นี่เลื่องอตอนนี้ฉันไม่ทราบพระพาพ่อไดยพ้วซื้อมาฉันก็มาอ่านฉันนี่อ่านก่อนเขาเลยนั้งสือเลียนใหญ่าซื้อสาสิบาทฉันอ่านจนไฟไหม่เสื่อมรู้ตัว ลวงพอปา น, นค่ะอ่านในลาวจิแวันจบเลยจบเลยฉันกน็อ่านอ่านในลาวสามเสี่ยวค่ะค่ะแค่คะนั้นแหละกับพอดีรู้แล้วว่าวันนั้นลวงพอก็อไปกินเทตกอไปซื้อน้ำงสเรียลเข่ามาแล้วไปไปไ ป, ไปฟังเทศ่ยวลงพอถึงเป็นพ่ออรหันมาแล้ววันนี้ที่บ้านตุ้กมเห็นเห็นจะเลยว่า อย่างรถแท็กซี่ไปสิบห้าบทกลับไปก็มากค่สามสิบไปพอไปถึงทงันกบโอ้โหวันนี้มีคนแจกหน้าร้ายตามานะมาเดี๋ยวนี้ไม่แอบพวกที่มานี้ล้วนเลืแ้แกเป็นเออเป็นอะไรนะเป็นผู้ในทําบุญร่วมชาติร่วมทานไม่ได้ชาติก่อนน้ำหามีบุญบรารมีมาก ที่มานี่ไม่ได้จ้างมาไม่ได้เชิญมาไม่ได้วานมาไม่ได้บอกขา่าวเป่าร่องมามาดทาท้วยศรัทธาแท้ๆว่าแบบนี้แหลแล้วก็นั่งฟังสวดผ่านผ่านกุศลกรรมฐานนั่นแหะครั้งเลกเคยเข้ากรรมฐานไม่เคยเข้าจะไหนที่ไหนก็ไม่เคยเ ข, าข้าก็ไปสองพืนสามพื่นทางเทียนที่เขาไปบ่อยที่เราต้องดันไปถึงวัดเลยวัดวัดอ่าอะไรก็ดูนี้ต้องถึงวัด ปจุงตับบน่านซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทยัยฉันก็เลยมาสับการ์ผ่ามาวัดเล ย, เลยข้อสอ18ก18ถึง17นะั่นฉันจะจำไม่ไดเนี่ยค่ะคือปีปายนี่ค่ะแมวิทยี่เที่ยตอนนั้นยินเลยมาอยู่ด้วย ตอนมามาม า, มาในงานเฉยๆค่ะมาแต่ปีแล้วไม่ว่ามันพศสิบแปดแปดก็มาสิบเก้าก็มานาะตฟังอยู่พี่นิดนึงเก้าวันนี้ไ ะ, ะนี่วันนี้ตอนนี้มาอยู่เก้าวันแล้วก็แขนเผาเมื่อเดียวอทีนี้ตอนนั่นก่อนพอพอเลยเก้าวันสิปันก็นกลับบ้านวันที่เท่าไหร่ไม่ทราบนะเจ้าคะพอกลับได้บ้านก็ไปกินข้าวสองเวลาแล้วก็ ้านี่ก็บอกกินสามเวลากินไปกินมาท้องมันแน่นอืึอนแล้วก็ป่วยป่วยอยู่สามวันฉันแน่นชั้นไม่ไปหาหมอแต่ก็บอกไปหาหมอกินอะไรก็ไม่ได้เขาพอกินได้ก็อ้วกฉันก็อดกินอย่างนั้นล่ะขอลูกเขาอะเอามาใกินชั้นก็อดกินก็ไม่ไม่ได้อร่อยหรอกนี่ก็เดือวันกินข้าวไม่ได้แกก็ซื้อฟูโคตันเตินน้ำละหลอดมาให้กินพาไปหาหมอชันก็ไม่ไปทาไมไปล่ะ ตายมันตาไปเถอะแบบนี้ไม่ห่วงแล้วตาบอกว่าไม่ห่วงจะของเองก็ห่วงลูกห่วงเต่าก็ห่วงสิไม่ห่วงเลยเฉยๆเต่าิ้มอย่างนี้หละแต่ว่าแม่นนะท้องอาหารที่กินได้ในตอนนั้นในราวมันกินแมงในราวกินได้กวยเตี๋ย่านี้ถนี้ส้มเถวาี้ก็ไมีกินมังคุดเรียงฉันมาอันกินได้ผลละไม่อย่างอื่นนักเรียนไม่ลงเข้ากาาหารเบื่อบแล้ว พอดีกับมันก็ได้ที่จรินอ่ะงไงกูจะต่องตายอย่างี้แล้วนะจะยึดอะไรแล้วมาเป็นผีพึ่งของเราอจะตายไม่มีอะไรจะยึดแล้วคิดอ่าคิดถึงทาสอนของหลวงพอนน่อนี่นังสือหลวงป่าที่หลวงพ่อว่าผ่านกินเดน็กเด็อายุสิบสองปีเขาพาคันปีวงกินเหล้าหลวงพ่อไปร่วมวงแต่ไม่กินเหล้าหอกกินผ้าห้อยโขูนะ่นั่นมันอร่อยอย่ น, นี้กินจนอิน่ม เต็มเป่งในวันนี้กินอิ่นแล้วก็ไปนอนนอนเล่าลุงเช้าคนมาประมาณสองโมงถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปถ่ายไปตายตามันก็สั่นเข้าสั่นเข้าหลวงพ่อว่าแบบนี้เอ้าบอกโยมแมวพระพุทธรูกใหม่มั่งมาเพ่งว่าแบบเนี้ทุก็นึกได้อ้าวจะตายก็จังดูพระพุทธรูกสั่นเข้าสั่นเข้าที่นี่เราไม่เห็นเลยน็่พระพุทธลูกเลยหลวงพ่อแบบนี้นะ ไม่เห็นเลยแต่ว่านึกในใจเออไม่เห็นก็สั่งผู้จว่าพุดโธพุดโธพูดโธหลวงพ่อว่าเด่นฉันก็จำเอาที่เลยมานุ่มใหญ่ที่มันป่วยหนักๆเขาอ่ะสศตายแล้วสุดแล้วว่าจะตายอ่ะมองเห็นต้อพุดสรุปของตานี่มีกระบอกไม่ไผ่ที่แกเอาสอดไว้นีิถูกแค่นี้แหละเห็นจะเกศฉันมองเกศบ้ะไม่ไม่ขนาดเว้ยในยีบออกมาไว้ข้างหมอเนี่ก็นอนเก่งอยู่นะเก่นอยู่สามวัน มาในอกสามวันสีเหนือเออไปเลยพูดเลยปลวกหลวหลวฟังให้ยไผพระพุทธสรุปแล้วนอนชมพระพุทธสรุปอย่างนั้นชมนอนชมไม่ไม่สุกเต่าไม่เสียให่ไม่ห่วงไม่ใหญ่ใครตอนนี้พระพุทธสรุปสามวันไปไปมามาก็ไปห้าหมอให้ยเขาอ่อนวันแล้วไปห้าหมอสองสามผลหัวดีเดือนหนึ่งนะคะนี่เนี่ย เดือนพุทภาที่เกิดไปเนี่ยมิถุนาตลอดเดือนถึงวันที่สามไปอยู่ลูกแทนขงพระนี่แหละมาเอาไปอยู่บ้านแปดริ้วว่าถึงเชีมันปรกาศไม่ดีเงเลยไปนั่นแหะค่ะจะจับผ้าพระมาเรื่อยๆเรื่อยๆเดินไปบางทีฉันก็เห็นบางทีมันก็ไม่เห็นฉันก็ปลอ่อยเอาพุศโลนเป็นหลักเอาพุศโลเป็นหลักเพราะาำนาพุทโธเป็นหลัก ก็หลุดลมหน่วยพุทธโทเข้าไปอย่างนี้เหลมเข้าพุทธลมเข้าโทลมออกผหลักของมันพุทธโทแล้วก็มีพระพุทธลูปด้วยบางทีก็เห็นหนะแต่ว่าพุทโธนี่ลืมไม่ได้เอาพุทธรูกบางทีก็หายแล้วกนักเข้านักเข้าก็มองมาเช่งไม่เรื่อยถึงแม้ว่าทํางานการค้าขายหยู่นเกศทําอาหารค้าขายขายอาหารอิสานขายเราอะไรเหล่านี้น่ะมันร่วนแล้วแต่ชิน ทุกอยากละมากทั้งนั้นนั่นหนักอกหนักใจทั้งนั้นเนี่ยบางเวลาก็ไม่ลืมบางเวลามันว่างคนลืกทํำไปนี้ค่ะถ้า ม, มีลืมบ้างมันยุ่งกับคนที่มันไม่ลืมไม่ได้คือเวลาไปจ่ายตลาดเห็นเดินไปตลาดนะ่ยราชวัตรเดินจากบ้านบ้านนั้นไปหยุดหน้าสถ า, านีดูสิเดินไปเดินไปทังตัดจับพอ า, า, าพุทธลูกหายใจเข้าว่าพุทธหายใจเอาตรงทั้งก่าวขาด้วย ยกละขาข้อกับพุทธหายใจเข่าโคลให้อย่างไปย่งนั้ไปเรื่อยจนถึงตลาดถึงตลาดแล้วก็ทุกของทุกของติดบางทีก็เนืกอได้บางทีก็มีนึ้หน้านึ้อหาของมันก็ลืมทางทางนี้แหละทางหายใจฉันไม่อกี้มันอยูยิบทีไม่รู้กะที่ปฏิบัติมาเน ค่ะที่ราไปในในแดนต่างๆออฉันเรามาก่อ น, นอารม ณ, ณแรกมาก็จับพระพุทธรลปมาแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะจับมามันก็ยังไม่แก่ใสแต่เพิ่งมาไม่ลืมละไม่เอาอะไรใครจะว่าอะไรดีฉันก็ไม่เอาเพ่งพระพุทธหลบอย่างยาวเพ่งมาเพ่งมาจับมาจับมาพ้อมทั้งลมหายใจนะคะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงพัรษาที่แล้วนั้นฉันก็ นอนถึงติดนอนตีสี่แล้วก็ตื่นตีสองก็เดินหาพระพุทธรูปเดินกลับไปกลับมาพอตีสี่ปั๊บสี่ทุ่มนะดูใบว่าตีสี่นอนสี่ทุ่มมาตื่นตีสองแล้วก็เดินสักสองชั่วโมงเดินหาพระพุทธรูปอนหกบางทีก็หายหายอย่างผมนึกพระพุทธรูปใหญ่ขเขามานังแล้วก็เดียวตักเดียวพระพุทธรูปองค์นี้จะมาหนังบนตักอ่านอยู่ในอยู่ในคับเข่าอของพระ พ, พ, พุทธรูปนั่นเองพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็มีองค์เล็ก มัน ม, มองหาอยากองค์ใหญ่มานั่งแล้วก็เดี๋ยวเราพุทองค์เล็กกำ ม, มานั่งตักข อ, องพระพุทธหลุบองค์ใหญ่เข้าใจไหมฮะอยู่นีอ่อกอยู่นี่อกแม่ค่ะไปไหนมาไห้ก็ไปนี่อกทําไรต่อไปเลี้ยวขวาอย่างๆค่ะแล้วเอเอมาเรื่อยๆที่นามาเรื่อยๆจาจับพระพุทธหลุบมเเ่เรื่อยๆจนถึงพรรษานี้่พิการกําหนดพรรษา มันถึงพันษานี้แล้วมาแต่วันที่เรไปพูดกับพระนี่จะเดือนมิถุนาเอ้ยขาแล้วพระพุทธลูกเช่นแบบนี้นะเขาแล้วยังไม่ใสหรอกเขาวม่ๆเลยเออดีแล้วขันกว่ายังไม่ไม่รู้แต่ก่อนไม่รู้อะไรยังไงเลยเถ่งมาเพ่งมาพอมาบวชดูชายปัดข่าวพรรษาก็ยังไม่ใสแจวนะนี่มาเดือนสิงหาเดือนสิงหาค่ะ เขาพุทธรลุแก่นใส่ทีแล้วเนี่ยถึงหาพรรษานี้เองอ่ะอ่ะเวลาวันที่สี่ที่ห้าเขาพุทธหลุดมองเข้าไปใส่เจียวเลยเป็นแสงออกแสงออกเหมือนกระเพ็ดนี่โอ้โหวันนั้นวันนั้นไม่นั่งในศาลาลวลาดีว่านั่งในโบสถ์ก็ไม่รูนะคะฉันก็นั่งนั่งอยู่แล้วเห็นหลวงพ่อเดินไปนู่นเดินไปทางยาวเหยียดเหมือนกับทางรถไฟมีพรเขาปู ด, ด้วยฉันก็นั่งมองโอ้อ ด้วยหลวงพ่อไปเลยเนาอเดินว๋ ม, มว๋มคนเดียวที่หลังคืน้องอีกฉันจะเห็นทานไปอีกจนใดจะมองว่าจะเรียบผมไม่กล้าไปแบไปกับทานไม่รูไปไหนไปคนเดียวถึงเปลาเนินไปงัละ่ะผมไม่จะไปเลยมานั่งเล่าให้พระนี่ฟังอ๊อแปลกแล้วเป็นแสงเลยไม่หันเลยค่ะฉันก็นั่งภาว น, นานั่งสมาธิน่ะล่ะ ถ้าเป็นแก้วใสเลยใสค่ะถ้าฉันไม่ไม่ไ ม, ไม่พระพุทธรูปออกมานั่งวิงปัสสนาอย่างอื่นมันก็อยู่นั่นแหละเดี๋นี้ก็ อ, อยู่นั่นแหละพระพุทธลูกมองไปที่ใดก็เห็นก็เห็นค่ะก็มองแัดถิหนเลยถ้าเห็นห น, วนลวงพ่อเดินกับพระพุทธลูกไปอยู่แล้วมาปูดกับพระโอ้แต่แล้วละ่ะสองคืนนี้แต่ป้องหลวงพ่อเดินไปทางลุกไฟยาวเหยียดเลยปู่ผ้าขาวคืนที่สองปู่ผ้าเหลืองว่าแตกไปแล้วห่ะ เออโย่แม่ให้ตัดสกายทิพิตัดร่างกายของเราเองเจ้น่าอย่าไปห่วงไปใยลูกก็ไม่ใช่ของเราเออใครใครหลานเลี้ยก็ไม่ใช่ของเราเรากินเราจึงอิ่มเราไม่กินเราก็ไม่อิ่มเราป่วยก็ไม่มีใครตายด้วยเขาป่วยเราก็ไม่ได้ตายเขาพักบอกเช่นแบบนี้พอมากก็มาโอ้ยเกิดมากก็ไม่เคยกัดนี่แต่จับเขาพูดเขาหลุดเฉยเฉยไม่เคยละร่างกายไม่เคยจะปล่อยไม่เคยจะวางมันห่วงมันอยู่นั่นแหะไม่เคยหละกิน วันนี้กูจะทําลองดูเว้ยทำอิค่าไหนเออมาพี่นาะร่างตายเออแต่ก่อนเนาะกูแบบเป็นเด็กเป็นเด็กต่อมาก็เป็นเด็กใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นหนุ่มเป็นสาวที่นี่แหละทุกหนักมีครอบมีครัวมีลูกเจ้านี้ทุกขนาดหนักไปนี่นะคะโอ้โหตัวทุกหนักที่สุดมันเป็นยังไงนะคะฉันถามพระน่ะคือคนตายอ่คือคนตายเอ้อวาว แค่นั่นฉันจะเอาแค่นั่นออกไปตายให้ดูแค่นี้แยกไฟไปทําท่าตายให้หนูมันออกไปจริงๆไอ้เช้าหน่อยฉันดูจริงๆถ้ากันหนังดูหนังดูยังเห็นลูกพอนะหนังดูไปดูมาลูกพ่มาอยู่อยู่ที่นี่จริงๆดูอะไรฉันว่าแบบนี้นะครับฉันดูดูคนจะตายใครจะตายคนนี้แหละค่จะตายคนนี้จะตายฉันว่าแบบนี้ มันมันเป็นมันเป็นหน้ามันเป็นหน้ารักแม่เราคนจะตายไม่ใช่ไม่ใช่หน้ารักอันหน้าทุกขงังหน้าอันมันเป็นหน้า น, นิจจังทุกขังอนาาัตตาหน้าเวทนาหรือที่สุดเจา้าค่ะเออมันกระดิ่งไปกดิ่งมาเออมันใส่เหตุตายอันหน้าหลวงพ่อตายแล้วจะผ่าช่องให้ดูให้สัปเหร่มาผ่ากันมันนี้เพกเดียวก็ผ่าดูที่ข้างในมีอะไรบ้างสวยไหมดีไหม นี่มันจะอมมของหอมหรือของเหม็นท้กบอกของเหมนะ็นจ้าค้าแล้วมันตา ย, ายงงแล้วมันจะมันจะทําไงมันไม่ทำไหมแล้วก็ตายแล้วก็ทับปล่อยไว้นี่มันก็คืนอืมันก็เหม็นมันก็เน่ามันก็เปื่อยผุพังไปมันก็จะเลือจะกระดูดเห็นว่าแบบีเมื่อมันเลื้อกระดูดได้จะไว้ทําไมฉันจะเผามันเองมันแหลกลานไปเลยมันเป็นฝุ่นเป็นจุนไปเลยยังแบบนี้แล้วก็อ่ะเผาฉันจะหาฟืนหาว่าฟืนตักมันก็เผาลูกของมันเองเลย ลูกคงมันเองแล้วจะไปไหนหลวงพ่อตามฉันจะไปนี่ผ่านก่อมาสิมันก็ไปแต่คาวนั่นเลยพอ่อมาสิฉันจะตามหลังผ่านพอ่อพ่อว่าไปสิเปลี่ยนตัวแล้วนะอ้าสีเหลือบอดแบบนั้นเสื้อแขนแบบนี้มีคํามีอะไรปักปักให้กอคมถึว่าคุณผ้าเขานุ่งอย่างอย่ญญางอาจารย์หมุ่งมาเมบนี่ไม่ไม่เหมือนผัดถุงพับมาแบบนี้มีเ่งอย่างอย่างอาจารย์หนุ่ นักก็เดินเหมือนคนาสาวๆเหมือนไอ้ชีชีอะไรชีเป็นหนึแหละแค่นั้นแหละไม่แกวหนังดูเดินไปตามลุงพ่อยังสวยอยู่มองดูโอ้ยมันเผาจะตายแล้วดังนั้นทําไมสวยนักนะก็มองไปมองไปพอไปถึงถึงประตูที่จะเขา้าเข้าไปอันจุลามันยังกะถามลุงพ่อนี่ น, นี่นี่อะไรเจ้าพระนี่ปราพระอ่อน พระพุทธลูกตังแวลอารามแวลว่าแวลว่าอยู่นั่นน่ะหน้าประตูจะต่อเห็นพระพุทธรูกก่อนขนาประตูฉันบอกหลงพ่อกระพากปราปราบแล้วมีพระประกจยอยตรนั้อีกเนี้ยท้องมึงใหญ่เลยมีพระประกายกวาวยูแววเหมือนกันปราปราเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปตามหลังตามเอ้ยที่แหลกฉันจะไม่เหยียบใต้เหยียบนี่มีตะฟูอีกแบบคมเลยแต่ว่าพมสีแดงเป็น ปะดับด้วยสีเหลืองสีเหลืองเ ก, กือบลมโอ้หลวงพอ่อฉันจะเหยียบใดนี่เลยเหยียบมาเลยเหยียบมาเล ย, ยงั้นทานก็ไม่ติดกลางลมเด้ไม่ติดกลางล่มถือกระเป๋าชับชับชับไปต้องเดินตามหลังไปโอ้หลวงพอ่อคณอะไรนักหนาะเยอะแยะมีแต่คนุนสวยดๆยืนดูตามซอกระวางต้นกุ้ยทีดดดดด่มันจอดกันเป็นมุมแบบนี้นะใบมันจุดกันพอดีเป็นร่มก็ไปถึงนู่นเลยโอ้นี่หลานางฟ้านางชีวานางฟ้าแต่น โอ้โหทำไมแต่งตัวเหมือนกันหมดละ่ะก็มองดูเราเหมือนเขาไหมเพราะแต่สีเดียวกันสีทองทองนะหลวงพอ่อสวยเขากินอะไรล่ะเขาไม่ต้องกินอะไรอะ่ะด้วยสุดเขากินไม่เกี่ยวไม่มีกินเหนายมันอิ่เองกันว่าแบบนี้ไอแดนอะไรหลวงพอ่อแดนนิพานโอ้โหอันที่ที่แดนที่ว่าสวรรค์มันอยู่ไหนเราเลยมาแล้วกันว่าแบบนี้ แล้วก็เลยไปไปตามทางไปไปเพาะ ไ, ไปทุบจุลามณีอันบรมม อ, อรมัสารีกธาตุอืมจุลามณีมนมีเป็นเป็นเป็นๆๆมีสูงแล้วก็มียอดเจ็ดยอดแต่ลาแต่ละยอดมีแก้วอั น, นใหญ่ประดับวาววาววาว ว, า ว, ว, าวสีเหลืองอ่ะสีแดงสีเขียว สีขาวสีอะไรหกสีแดงแวววาวแวววาวผ้าหนังล่องปากก็มีผ้าหมกขร า, าสารีบุญอยู่นั่นด้วยมีเบญจมชีตั้งห้อยืนนั่นด้วยฉันปาบ่าหลวงปอประกาศอยู่ข้างหน้าเห็นป่าอยู่ข้างหลังนะทีนี้ยังกับป่าเรียนหมกขร า, าสารีบุญทานผู้เจริญพระเจ้าค่าทีนี่เป็นแดนอะไรเจ้าค้ายังไม่เชื่อใจแดนนิพพาน คนที่จะมาแดนนิพพานได้เขาทำไงจผพาเขาทำทานรักษาศีลภาวน า, วาแบบนี้ตาไปตาสิหลวงพ่อจะพาจะพาไปไหนอีกจะพาจะพาไปจแบกบไปไหวเขาให้เจ้า ว, ว่าแบบนีงที น, นะเดินตามมาเลยก็เดินตามไปตามไปไปเข้าไหวพุทธเจ้าเขาไปโอ้โหพระเต็มเลย ถ้ากำลังเดิอนออกมาเหมือนเหมือนกับเราจะมามานั่งบรรพาน น, นะแต่ว่าเยอะเดินเข้ามาเข้ามาเข้ามามาัมานั่งพักเดียวเสร็จคิดต้ะแล้วก็มองเห็นโอ้โหหลวงปู่ปันนั่งอยู่หน้าอนี้เทียงลงมาลงมาเป็นแถวเดี๋ยวกั็ทะลุปเป็นรลัทธิออกมาไอ้พพระพระพุทธเจ้าเหมือนพระคิดพุ่งออกมาโอ้โหที่นี่สวยสวยเลยคะับหน้าตา ลมคายผิวพันของใสเป็นสีทองลองมาเหมือนกับตะ ว, วันกำลังลุกขึ้นผ่านจะไปอยู่ตรงกลางพาร์ทิ น, นันเลยแล้วมีสีสีลุกสีลุกขอบผ่านยืนออกมาอยู่กลางมากำมาขึ้นบัลลังแก้วลืมตามองซ้มองกวามองพอกเป็งออกมามองมนี่ วันเรียบไปในหลวงนั่งอยู่ตรงนี้ฉันก็นั่งอยู่แบบนี้หลวงพ่อนั่งอยู่ทางหน้าให้หลวงแต่งชุดสักพูนก็ยังมีเรือบูดกองฉันห็นนี่ก็เลยวันนั้นทานก็ยังฉันในวังไม่ไม่กล้าจะกราบทานเลยกราบเรียนทานนะวันหลังยิ่ได้เอารัดเลยใช่ไหมเออวันหลังมันก็ไปเหมือนกันไปทุกวันทุกวันว่าจะนั่ง แล้วกอกฉันก็เลยถามเรียนถามท่านผู้เจริญพระเจ้าค่าเนียนจะปฏิจุบันยังไงเจ้าค่าถึงจะได้มาถึงนิพพานนิวฉันว่าแบบนี้ออยากมาจริงเหรอเจ้าค่าอยากมาเจ้าค่าฉันวันเออไปที่นาเรียกสักสี่แค่นี้จับเอาแค่นั้นเรียสักสี่เพราะปุ่ม กรายดอกมะลิแกแล้วพุ่งออมาเป็นแสงแสงใหญ่แสงเล็กจใจอยู่นิ่งได้ให้เพราะให้บินให้ใหญ่ให้เล็กตามใจชอบใหญจับเลย ท, ท, ทาปูดท้องการ์พิงออกมาเป็นพระธรรมพิงไปงนั้นทิ้งไปเลยเสร็จแล้วเราเล็กจะกาบหลวงปู่การพออกมาอย่างนั้นกาบปลาทาร์นน้ำมาตะการ ก, ารกันเสร็จหลวงพ่อพาไปกาบหลวงปู่การนก็กาบลงไปเมื่อ ท่านบอกให้ที่นาร่างกายล่างกายไม่ใช่ของเราเราไม่มีในล่างกายล่างกายไม่มีในเราอย่าไปยึดอย่าไปถือนะพอแล้วก็ไปสาบลวงถือมันหลวงถุ่มั น, มนโอ้โหไปพุทธโธแล้วนี่หว่าอย่างเดียวถึงนิพพานหลวงพอเอาอะไรเจ้าคะมาถึงนิพพานก็พุทธโธเดินพุทธโธนั่งพุทธโธนอนพุทโทโอ้โหท่านใดพอพุทธลูบในอกก็ยิ่งดีใหญ่แล้ว เหมื อ, อนนี้แค่นี้ที่จะฆ่าหลวงพ่อแค่นี้ไปไปทิ่นกับไปปาดหลวงปู่หลวงปู่เสาหลวงปู่เสา่านคนผูดน้อ ย, อยเกิดเป็นคนอย่าให้เสียทีกิดให้ทําความดีให้รักความชั่วมน อ, อยนี้ห้รักความชั่วแล้วก็ฉันก็ไปหาหลวงไปปราบหลวงปู่ข้ามแสนใหย่ กันก็นั่งมีงนั่ะหละักยังเี่ยงกันไปนะ่ะว่าจะกราบใครเห็นเลยเด็กกราบลูกกราบลงถ้านตรงนี้ไม่ได้สอนขยับเข้ามาลูกขยับเข้ามาอืมเห็นขยับเข้าไปหลวงพอ่อยทำอะไรเจ้าค่ ะ, จะเจ้าหน้ามต่อทองประคุมให้หน้านเต่าทองหลวงพ่อจะทำไม่ดีเห็นมานิพานได้ไหมเจ้าค่ะได้สิถ้ารประคุมน้ำมนต์หลวงพ่อแล้วจงมาหาได้ กอคุณอย่างซึงกัพระกบมอบัวก็ไปกันกุปะคมน้ำมนตให้แค่นั้นงัหหน้นก็ไปหาหลวงพ่อศรีวิชัยไปหาก็ไปปลาปลาทั น, ทนอุนี้สอนมากหน่อยพอก็ไปเห็นหน้าบอกว่าอริยสัตสี่พมนิหาร4ี่สี่อกทธิบาทสีบารามีสิบนะโอ้หลายจังน้องหลวงพ่อเออหลวบลัวเขามันก็นมีนิดเดียวมัน แ, แบบนี้ทธิบาทไว้เชอะ ในที่นี่ฉันก็ไปชีเนี่ยนเคยได้ยินไม่ที่ําก็บอกชีเนียนน่ะฉันก็เห็นชีเนี่ยนได้ทิบผู้หญิงบวดเป็นพระเอเองอที่ทําก็บอกที่รักษาคนติดเทโลอินติดยาติดยาเสพติดตายเลยเห็นฉันเห็ น, นหนมาว่ารักษาสัตว์ศีนกับสัตว์บอกแค่นี้ฉันไปหาหลวงปู่ที่อยู่บ้านฉันน่ะ ปู่โพธาที่นันที่ฉันเคยไปทขมุลดำทานกับท่านไปกันกุมหัวเลาะกรากๆหรือหัวเลาะใหญ่เลยโอ้โหมาได้ยังไงมากระใครฉันถามซักใหญ่เลยฉันมากกับหลวงปู่มหาวิระเจ้าค่ะหลวงพ่อมาได้ยังไงมาอยู่ที่นี่มาด้วยกุศลผลบุญในเจ้าคะตายแล้วดรือกันมาอยู่ผลทานท่านกับท่านด้วยกันยังไ ง, งไมีจําหรือผลทานนี่เท่าไหรก็บันทึกเอาไว้ให้หมดเลย ฉันมอกแบบนี่จดไว้ทานวันที่เท่าไหร่ทานเท่าไหร่เขียนที้หมดนะทานกูเขียนจ ร, จริงๆมีแต่ทานกับรักษาจริงแค่ น, น, นั้นอ่ะทานไปได้ฉันอยู่นั้นไม่เคยนัง่งภาวนาไม่เคยนั่งสมาธิฉันกูไปวัดเหมือนกันวันพระไปนั่งเยฉยๆนั่งมีแต่อ่านหนังสือฉวดมนทำวัดแค่ น, นั้นท่านไม่ได้สอนแล้วก็ต่อไปกูไปหาอุปสามืน ที่บ้านฉันนั้นนะท่านตายไปแล้วแต่ ด, ดีนะที่ไม่ดีทลวงพ่อเรกดีทั้งเมตตาคุณท่านมีศีมมลบริมูนมีภุ ม, มิหารสี่ถ้าจะสั่งความาหาตาคนเนี้ยสงสารตานั้นนะจะว่าพูจะหลักท่านอยังไงอย่าให้นอนหลับทับศีรให้ภาว น, นาเข้าให้ภาว น, นาแบบท่านบวนอยู่ที่บ้านคุกกลางนั่นแหละให้อ่าให้เอาแบบ ไปพระนาอชุภะนี่โอ้เฮียอะยั ง, ย, งยังไม่ถึ ง, ย, งยังไม่ยังไม่จบถึงไหนแล้วว่ามี ก, ากินโอ้ไปตะมอนแล้วก็พอกรากบเสร็จแล้วลุงพ่อไปรออยู่นั่นนะอยู่สระนั่นนะลุงพ่อว่ะไปคนเดียวอ่ะไปจะไปรออยู่สระสระบุคลณี ฉันก็เลยไปนเนี่ยก็กลับมาฉันจะไปไหว้พระบัจจีฉันก็ไปไปไหว้พระบัจจีไหว้พระอินด้วยก็ไหว้เสร็จก็ไปไหวพจจ้พระบัจจีพระบัจจบอกว่าจะให้ทําประจําลูกไรเจ้าค่ะทําประจําลูกฮิอุตตปะเขนั่นแหละค่ะฮิอุตตปะเลยกลับมาหาหลวงพอ่อจบแล้วหาหลวงพอ่อเลยมาถามหลวงพอ่อหลวงพ่อเจ้าค่ะ ดิฉันนี่เป็นญาติที่โกโหติกากับหลวงพ่อหรือเปล่าเป็นสิท่านว่าแบบนี้ท่านคดีดีอยู่บนน่ะมันเคยดูเคยด่า ม, มันเคยผึนเขียนนะวให้มึงว่าเป็นสิเป็นแต่สมัยไหนเจ้าคะเป็นแต่สมัยนครอยู่น้นแม่แม่แม่หม่อมฉ้นอยู่ไหนแม่ก็อยู่นี่แหละอยู่ที่ไหนยะคะอยู่โ น, น้นแม่คนที่เท่าไหร่ฉันก็ซักเขาเองคนที่ร้อยอ็ด นับไปถึงร้อยเอ็ดเลยใช่แล้วชื่ออะไรเจา้าค่าหลวงพอ่อชื่ออะไรก็ไม่อยอมบอกชื่อไม่บอกไม่บอกไปถามเขาเองให้ไม่บอกอฉันก็ไปถามเลยพอถึงเลขที่ร้อยเอ็ดฉันก็นึกจับเราพุทธลูกไกถามชื่ออะไรชื่อมายุรีศีรษะท่านรู้หรือเปล่าแล้วว้หลวงพ่อว่ า, ว, าว่าฉันเป็นลูกแม่แม่ก็ร้องไห้ใส่นะ โอ้โหมายัางไงลูกไปงไงไม่ลูกกี่ร้อยกี่กี่ร้อยชานละมาเจอกันลูกมาอย่างไงมากับใครมากับหลวงพ่อมหาวิระท่านอยู่ไหนท่านอยู่โมโน้นี่เป็นท่านอะไรนะโอ้แม่เป็นอะไรถนะามว่าเป็นเวดาไม่ได้ไปอยู่นิพพานหรือเปล่าว่าแม่นี่เปล่าลูกไปที่ไหนมาหลวงพ่อว่าพาไปนิพพานมาแต่ลูกก็ไม่เคลื่อจักหลวงพ่อว่ากว่าตามหลวงพ่อไปงั้นหรือเพิ่งเดินมานี่ยังไม่นานมานี้ฉันว่าเป็น เออเอาอะไรแล้วไปนิพานได้อะไรพาไปก็ะหลวงพ่อพาไปกระไดพุดทธโธไดพระพุทธลูกพาไปเนี่ยหม่อมชั้นก็ไปไม่ต้องร้องหงอยร้องไห้ตรงแม่ขออยู่สบายเถอะเป็นก่าลแบบนี้่อแม่ปฏิปัติให้ยึดพระพุทธลูกนั่นแหะเขาไว้แลว้วก็จะได้เป็นถึงนิพานไปเจอกันที่โน่นนะเป็นว่าแบบนี้ปูกับเมฆถ้กลับมากลับมาก่อนนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อจะพา พอลงพอ่อจงไปโปรดพ่อแม่ของดิฉันมั่งอยู่อยู่ชั้นไหนอยู่ที่ไหนฉันยังไม่รู้เจ้าคักไปอยู่อยู่ชั้นล่างของลงไปนู่นก็เลยลงมาลงมาก็เห็นพ่อเห็นแม่เป็นกายเก่าเนยเป็นกายกัาเทพบพอวันหลังอีกเป็นกายใหม่แต่งเป็นเทวดาทั้งหมดของนี้กับ มาพร้อมหนะ้าพร้อมตากันเลยไม่รู้ไม่ได้นัดเนะกันมาปวกเทวดาปลวกนั่นดีใจดีอกดีใจอะ่ะจะได้ฟังธรรมของพระผูมีบุญมาโอบเราแล้วอะว่ะแบบนี้มานั่งปนมมือสลอนสลอนอยู่นั่นแหะไปหลวงพอกเข้ากะมีพระมีพระด้วยพระที่เป็นล้านชายก็อาลาดทนายทานเพทเพททานกับเพ ท, ท, เท ส, นน ส, นสินหานี่แหละสอนสินหานี่รักษาสินหมีทั้งสองฝ่ายนะคะ ข้างพ่อก็เห็นข้างยันก็เห็นเห็นเห็นคนที่ตายไปแล้วนะเป็นเทวดาแต่ว่าพ่อปู่เนี่ยไป้จกนรกเป็นกรรมอะไรแล้วจกนรกอ่ะกินเหล้าบอกว่าแบบนี้กินเหล้าค่ะอยู่ชั้นกามาวาจรสวรรค์ไม่รู้ว่าชั้นเท่าไหร่นะ ถ้าบอกชื่อย่างงั้นมันเป็นมันเป็นลูกเป็นมาปกติกเลยไ ม, บบไม่ค่ ะ, ะดดมันออกจากพระพุทธลูกพระพุทธลูกฤทธออกมาทางใจไงมันลูกเป็นแบบนั่นไปเลยเป็นแบบนั้นแล้วอะไรต่อท้ามไปค่ะ ฉันต้องใช้ความมณนะความเพียนมาก่ะจับมาแล้วก็เช่งมามองมาจะเดินจะยืนจะ น, ะนั่งจะไปไหนก็จากฉันจะจับอยู่ตลอดเวลาค่ะอุ ป, ปรสรรคต่างๆมันก็มีนิวรณนมีนิวรน์ละค่ะมาแสกเดี๋ยวนี้ไม่ก็มีนิวรณนได้ฉัน่ะ นิวอนไม่ควมีนานๆจะมีทีแต่ก่อนออ้มานั่งจะพระพุทธรูปเลแคบเดียว เ, น, เนี้ยแหลกมาเนี้ยอันนีแหลกมาเนี้ยอันนวนแหลกเ น, น, นี่นใจสบายมองดูนใจเย้าของก็ได้ใจจะกของก็เหมือนกันกันกบพระพุทธลูใสสะอาดเป็น